ริบร่มสั่งสอนไม่ว่าจะเทศสอนทีืที่ไหนปลายใดก็ต่างเกิดมาแต่ใครจะต้องใายมันก็ปฏิบัติตามศอนว่าให้ละในสิ่งที่เวรละสอนให้เจริญในสิ่งที่เวรเจริญสอนให้รักษาไว้ในสิ่งที่เวรรักษาสอนให้ระวังในสิ่งที่ละแล้วจะให้มันกลับขึ้นมาอีก ควาระสงในการช่วยในการสอนจะมีเพียงเค่ถ้าหากฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจส้มหมายก็มีทางที่จะปฏิบัติถูกต้องได้ถ้าหากเข้าใจจุดหมายตวามประสงค์ของการกทัธรรมเทศนานอเพราสุจารณ์ในตัวของเราเราทำถูกต้องได้หรือยอย่าง ตรงไหนที่ถูกต้องแล้วแล้วก็รักษาแล้วก็ปฏบัตต่อไปตรงไหนมันไม่ถูกต้องแย่างิดฆ่าก็ฆ้าตรงไหนจะแก้ไขตรงนัน้นถูกต้องไม่เกี่ยวข้องเท่าไรกับถูกต้องามง่ต้อ ง, งหมายาาถยาาึงกานตั้งภาวะเจตนา อธิบายมาแล้วนะ่ะสามข้อตัวชี้วิ่งรวมเปืย่ยนข้อติมว่าให้เจริมพุตสนเพืี่ยนเป็นยาพุตสนเจริมพุตสนในตัวนี้ให้เสร็นขึ้นข้อต่อมาก็ เรือนักษาทุกสนนั้นได้ตรวจแล้วไม่มาเสื่อมหายไปสองขานี้จะมาตรงไหนเสียได้ดัง้นเราเ้าสวนกามมาไปงามปลูกต้นไม้ในสวนทั้งต้นาอนงอกงามขึ้นมาก็รักษา ไว้แม่ให้มันตายเมื่อรักษาต้นมันไม่ตายไม่บางอย่างบางชนิดมันได้รับประโยชน์ก่อนนี้เท่านคือผู้เป็นคอยอดใบมันได้รับทานได้เพราะการรักษา ต้นไม้บางต้นเมื่อรักษาต้นในตายมีเจริญย่องานอยู่็ะย่อเกิดเกิดต้นเหตุได้แล้วมีสมาสติข้อสองตออแรกเพื่อเจริญสู่สิมทุกความดีให้มีขึ้นใต้นีตนน้แล้วก็จะได้ชมกคดีเติม คมีตนมีอยู่ตน้งาขึ้นมามีนดส่วนๆเรดูเหตุข่งคาดีของตนนั้นไปชมความดีของตนนั้นถึงจะรักษาความดีนองตนได้ถ้าหากสร้างควาดีเสมาแต่หากไม่รู้จักความดีนั้นล่ะมันดีอย่างไรนั่นไม่เห็นความดีของต ไม่มาจรักษานดีมันเ้มือกันคนาเมือด้าคนดีแล้าะว่าดีอะไรต่างๆแั่ต่างในทุกสิงทุกอย่างอย่ขาายสิดีเทำทานดีต่างกับสินมหาสินเบืหน้าไม่เบืหน้า อยากจะขำอย่าง่อไปเพราะเห็นมาเป็นเขาบอกว่าเป็นคนดีแต่ว่ารักษาศีลน่ะดีในสุดดียังไงไม่เห็นคุณค่าของการรักษาสีลรักษารักษาด้านหนึองดเพื่อนไมเลยถ้ามีจัดพัวเต้องการรักษาศีลน่หลายอย่างต้อรการ ขิงบางอย่างรักษาได้ฟังกินก็กลนใจไว้เห็นสลประโยชน์เมื่อรู้ขิงแล้วแต่รักษาขิงุณงานเดืยวสดที่รักษาไว้ได้ไม่เสื่อมทาลายไม่ริมไม่ต่างไม่ร่อยขิงเป็นเหมือนกัลูกตาลูกเดียวเท่นั้นก็บอก มองดูตาลูกเดี่ยวมาเติรักษาอย่างยิ่งเห็นคุณค่าก็ถืนว่าคืณทำประโยชน์ขึให้ได้รับผลดถ้าพร้อมยืนใจให้เสิอรุ่นพิสุทธิ์การที่เราลาส่วนดีส่วนเชื่อได้มาตั้งอยู่ในส่วนดูอย่างนี้เป็นต้นเรียนฝนอย่างนี้จึงจะรักษาส่วนดีไม่ได้ กินอย่างนี้ท่านว่าอริยตันติุและปลาทั้งหลายนี้ก็ได้เจ้าเป็นเติมท่านเติมเติมท่านรับเติมกินอยงนี้กินทั้งอย่างทัานเอาเข้าป้ายสิริรักษาจิตมันจะรักษาหอวใย กายก็จะให้ร the ุ่งให้สว่างมีข้าวว่าเขาจะตำลักตเลีเยงงูเรื่องโคกานข้าวว่าเขาก็ปล่อยออกไปจากพ่อจากแม่ไปหาเชือกช้นยาตาชนะมนซึ้งนาและตาข้ามมาเขาก็ต้อนหน่อยในตอแล้วเขาต้องนอนรักษาศีลกันคล้ายกันที่ไม่เข้าใจเรื่องศี ผลงานข้ามันถิ่นทีจะรู้ถึงถึ ท, ท one one one one one one. ี่ตนถึงจะเข้าไว้คำคำถึงจะจำจ้าถึงจจไไว้จํคพดทึาระการงานกิดถึงทั้งด้นั้นช่ออยากจะให้สว่างจะรู้ไปทาการทางานตัวเองของตแล้วก็โดสลับจิตเคยเห็นสมเดราณเขถือั คือข้มเห็นในธรรมนนท์นี่แหละที่เขาถือแบบนบนกลรรักษาชิ้นแปดการที่หนีหนีจากวัดตอนเช้าต้องมาชำราชิ้นห่าง้นหนีชิ้นแปดนั้นเตินคำบาปทาคำคามเขาท า, ทางที่หนีชิ้นแดไม่ได้ชิ้นแปดเป็นบาปมากนะ ก, กับบนี้ไม่ได้ฝึกจะมีความตื่นตัวแต่ในรูป ม, มีเนี่ยเป็นปาริตในท่านนอนนั่นแหละต้องถือแบบเมี่ยเพื่อ น, นข้อท่านนอนดีกว่ารักษาจิตไม่ใช่กัักษาเตอร์ยนเเนี่ยคนที่ไม่เใจเรื่อการรักษาต้องต้ อ, องตัว่ง ในการทำส่วนดีในการรักษาศีลนั้นเม่เลือกทางวันกลางศีลไม่เลือกบัรวันุรถึงศีลทุกส่วนจะตืตีตีอื่นใจไมต่แล้วอื่นใจแล้วจะตื่นทาตีโดยวันเรารักษาศีลนะเรื่องวันพระนะเรื่องต้องคารวะเป็นการลำบากจะรักษาตื่แต่ตลอดไม่ได้ แต่ว่าชิ้นแปดนั้นเป็นสินทุ่เติวันหนึ่งกับคือหนึ่งรักษาได้ขนาดนั้นก็น่าดูโอ้โหแตทชิ้นห้าเป็นสินยึดจิตนั่นคือสินที่ามตลอดเลยล่ะผู้มีกัายานเป็นค่าของศินแน่จะมีสินในเส้นดูเรียกหลายเจริญความดี บำเพ say, say, ็มคํามดีเสวยมีขึ้นในตนความดีเสวมีขึ้นในตนแล้วจะอื่มใจดีใจเติมสุขีตะโคมเดีอวนั้นรักษาความดีนันได้เมื่อรักษสงแ้อบนตนเพื่อเจริญความดีคือบุญทุกและรักษาทุกตนนั่นในเสื่อมสูญไปถ้าหากไม่รักษา บุญที่เสริมที่เสิมางสน่ที่เสริมบางเพนมาแล้วไม่ปล่อยจริงใช่ไหมก็เหมือนๆกันต่ว่าน้อาหาจะต่างน้อาหาเหือนจะต่องไวไม่อยู่ได้เท่าใดแค่เทนั้นเอาไม่ได้ต่องไม่ไดงวันไม็ได้สอัน แล้วตายหายเสรัดก็หาใหม่ต so so ่อไปที่จะยุ่งลวยสพราการหาเหลือใช้เิษเล็กวสมน้อยและเป็นมูลอดกให้มีเมีที่มารักษาริงมนรักษาคนดีคนดนคื่บุญคู่คนเหมือนจะเป็นมีต่างหาต่างได้แมวใช้จ่ายไม่มีเหลือ ก็ตกลงก็เรียกว่าจนก็ไม่เจนมีก็ไม่มีแต่พอพัฒนางยังชีวิตไม่เติมไปวันหนึ่งวันหนึ่ากวันไหนไม่หาวันนั้นเสียหมดบากเดือนาะเป็นพุทธถ้าหากว่าหาได้ใช้จ่าน้อยเกี่ยวได้ก็เหลือเลือดเหลือน้อยป้าสาเสริมไว้นานๆนะเข้าก่อ นั่งมีบริบูรณ์ขึ้นมามีทาหาเลือกรรักษาเป็นดีแล้วเป็นฆราวาสเรา้องการกึนผ้าจากกินขับมาหากินมาเป็นธรรดาแต่ว่าเราจะต้องติดนี้ไปเชื่มาาอมวัดไปตลอดเวลาพเราใช้มากหาได้น้อยใชมากเจอหาได้มากใช้นอกก้อยเราจะรู้ได้ เมื่อเปลี่ยนพลังานสาส่วามดีเมื่อควาดีสวยดีที่เดารักษาไว้ล้วรักษาไว้มากรักษาไว้ได้ดีเมื่อว่าไหลเล็กน้อยเรียกว่ามันเร็วเร็วหรือรักษาไว้มนใหตส่วมสูญหรือว่ามาเหตุแย่ไหลเฉลยก็ทวีสูงสุดเลิกมั่งมีเหมือนเด มิใช่สอนให้รักษาคนดีที่เป็นั่งล้วที่เป็นทำแล้วมิสู้แล้วอธิบายมาแล้วคู่ที่สองงานงามร่างสมช่วสมชั่ ว, ว, วไรที่นี้นันคือมันก็เปิดที่ตายวายตาใจอะไอางเนี้ยอย่าไปดูที่อืน่น ก้อปดูจากคนเช่อในศาตร์จุฬานไหนอกต้องดูให้จากสนเสื่อกท่านอย่างคนเอาปวดโลกใครใครปวดแเพราะปวดท้องกะตามเป็นไข้เป็นน้ำอะไรก็ตามเถอะรูสิว่อโลกเกิดขึ้นในกาต้องดจักว่าโลกอะไรเกิดที่ไหนมาเป็นเช่นนั้นตรงนี้ตรงนดูจ ้วงับดับโรได้มึนยึหนาม้ ำ, ำายตอนนั้นอีกหายาตามท้องตลาดโดยด้วยในเะข้าใจว่าเป็นยาเจาโลกโดยเฉพาะโลกที่อีอยู่ในกายอยู่ในกายเป็นโเฉาะเสีเห่าได้ยาอะไรก็ตามมากินไม่ถูกกัโรกอาจจะว่แหลจะโรคถึงร้ายแรงถึงกับเก่าถึงกับตายก็ได้ นันไม่มาัตกันใดคนไปจะละสมเชื่อทั้งนี้สมเชื่อในตัวสมแอบไม่ละไมนได้นั่จ้ะการดังอธิบายมาจะคี้ตอนที่จะเชื่อทารไม่จะสมติดสมสมไม่จะสมงู้เสมหรือวเป็นฉลาดจะล่ำไปอะไรเข้าใจอะ้รจะดีนะกไม่ยาวฟังเสียยงแอนนั้น ถ้าไม่ทราบเดลละทรง่นั่นได้ยังมีแต่คนทรงทรงโง่เป็นมือซื้อมีทุกข์มีทุกข์มาหน้าตาเป็นกระเเกวทุลิิตเพราะไาบมันจะดีไปมีแค่ไมเห็นสรงโงเหื่องทรรนถ้าเพื่อนดาเกียเอาทรงโงมาแสดงหนตาตาสด ในที่สาธารณะที่สักง้อสังในใจพิเศษยิ่งแทอันนี้แสดงถึงง้อตาเปิดออกไปนอ้เป็นสิ่งที่น่าอายขายชึ้นหนาแบบง้อนั้นเราั้อยู่ในตัวของเราแต่เราเข้าใจผิดทิศว่านั่นเป็นามถะเมตสือมาน่าทิ่สุดเมตสือเราเดิมเต็จนดี ก็หมดทางอันนี้เรียกว่าไม่ได้จัดคนชั่วไม่รู้จัดคนโง่นักเลงใจจะเป็นละอะไรแล้วคนชั่อหรือคนโง่นี่ที่ไม่ไ้จัดลามันละยากเลยเนี่ยการกระทำของเรา่ะี่ยใช้เวลาจนคำสูงนัดถูขึ้นถูตาเกล็ดคนเอ แต่เราถืตามธรรมนินมแม้ทั้งถูกตามธรรมนิยมเป็นยังไงไใช่เป็นปานเป็นเวลาเป็นสมัยใช่ตามกาลเทศะระบุคนไม่ใช่จะไปใช้ทั่วไปจะมุดตัวเทศ า, าคำพูดรละการกระทำเราพูดรือยืนละแต่ทำแล้วจะทหรือเล แต่ว่าเราได้ทําตัญญูชั้นนึ่งให่ถูกเลยกตนอีกชั้นหนึ่งให้ถูกคนชั้นที่ดีนี่นะเราก็ควรที่จะใช้วาจาอย่างคนชั้นตามเร็วตามแล้วคนที่น้อยกว่าเราเก็ควรที่จะใช้ควนวาจาอย่างการพูดที่แบบด้วกกันกระดิกไม่ใช่เหมาะสมแบบฐานา ไม่ไปพิจารณาและเสีอนอกจากนั้นอีกขนดท่นนนาเนเรียนเตซีนีเขามียมแต่งเร่ยนภาษาจีนอิ่เข่ารู้เรื่องอะไรทั้งั้ใครๆจะรู้เรื่างอน่ะถ้ากินกินเตซนีนีอาหารนี้กลบแ้งแล้วก็เปิดเข่านี่แหะ ปั้าานกําปัเขาป่าในแต่งานเที่ยวกินคือในแต่เรียกว่ากินอันนี้เรียกว่ากินรู้กันวาแต่การนี้เราจะกระซื้ว่ากนินหนึ่งอีกคนชัานหนึ่งซึ่งไมใช่พวกเราทั่วไปนี้าำว่ากินนั้นไม่เหมาะ แ, แต่ควมมีอยคคู่ของแต่เราเรียกว่าปรบธานในนี้ รับประทานไม่ป็นจิตอันนี้เรียกว่าเร า, เร า, าดื้อกันฐานะพอดีพอนมและก็ไม่ยอมเาบุกจุดในการตื่นอันนั้ น, น, นถ้าหากเราวื้อกันอย่างสัเแเเเแเเเามเพืเอให้มันเกิเเเเเเเเถ้ามันเเเ่นเตเเเเเเเเเเเเเ ตัวละเอีย ด, ด, ดแล้วไม่ไม่กระเซือกต้องตัหยาบแล้วพกวกระแทกทานั้นเอาไปคิดไปนึกในหวังอยากจะให้คนนั้นรู้สึกไม่ใช็กินเท่านั้นมันเป็นแดดเลยมันเป็นหยไปเลยถ้าหาะนานนม่ง้แล้วท่านรู้ตัววก็หมดทางไม่ได้จะเอาอะไรไปสูด้กดก เรื่องคำว่าคำพูเที่ไม่จับฐานะใครไม่ให้ใชรในตามฐานะอย่างวลาเราไปซื้กับพระเจ้าประสง์เขาไม่มีเงินมากินนครับเขาไม่มีเงินมาแดกเลยงัดเรั้ื้อานเป็นการหยุดหามดูถูกพระเจ้าประสงค์เป็นที่ปะกะลสารท่นจ้นี้สิมีธรรมถ้าเรื่องท้ายสารคำพเขา ไจทั่วไปไม่เรียกวฉันไา่เรัยกว่กินไม่ว่าฉันกินก็หาว่าไม่รู้จักฐานะฉันสามสูงนี่จังหะถ้าไรู้จัคนเชื่อแล้วแต่ละเชื่อไม่ได้ถ้าจะของคนดูเยอะแต่เราเคยเชื่อไหมเราเคยเลยไหมไราแต่กับ นี่จะดีแล้วว่าฉันก็กินอะไรกันต่างกดีเรี้ยงไปทั่วไปแล้วเจอวฉันที่ไปทั่วไปชาวบ้านจังเลีงชาวบ้านจังเลียงเขาหัวเลาะยี่เาไม่ฉันนะเขาไม่ใช่หรอกฉันมือเนี่ยมันเป็นคมรู้ของแต่และดุจสนจึงจะไปใช้ให้มันสูกต้อนเพื่อรวมรวนเดียวกัส่วนเชื่อถ้าไม่รู้จักแล้วไม่ตราบจะได้ไรได้ ตัเองเข้าใจว่าม <ala> ันดีทั้งหมดถูกงั้นปลกเหมือนกับอัมันถูกกิเลสัแต่มันไม่ฉลาดพอไปแพร่ถูกสามกาลเทศะและฐานะดุจเป็นกันตุนนั้นนอง่างที่ที่อาจารย์สอนาละสทั่วไมรู้จักสมทั่วจะ่อยเที่นด้ไหมงานหขั้นแรกในเทียนจะเป็นงานม่เข้าใจของฉันถ้าในเทียนเป็งานไม เคยกอะไรอย่างไรก็เต้นได้ยังไงทำนด้ยังไงแล้วฉะนั้นเนี่ยตายสังหารอย่าฆ่นให้าก็ึกิดอากเป็นไข่ก่อแล้วเนี่ยต้องมันต้องพุ่งผลหลงในการศึกษาเรื่อจะให้พากันศันษาพากันเถ้าใจพากันเรื่อง แล้วราไแท้เลยเราไปแท้ไอ้แค่นี้ไปเนี่ยเราไปทํานี่ก็ทำเนี้มันจบไปนี่ยจนเราควารู้ความฉลาดจนสังคัญรู้เสร็วไม่ฉลาดต้องอะรู้เยอะภาษาที่เราจะทำต่อไม่ฉลาดใน่มีทิศนี้ไปที่จะไปแท้ต้องไปแท้เนี่ยรู้ไม่ฉลาด การฟังการศึกษาการอบรมอบรมให้ฉาดอบรมใเข้าใจแต่ที่ฟังหรืออบรมรับอบรมทั้งหลไม่เห็นในการจำขัดถือรางในประการสัเตเห็นตนนี่าเนิดทางตรงตายตายแล้วก็เกิดกัญหาลอยชาติห้าร้อยศตวรรษนั่นก็ไม่ดีสินะทานถ้าเป็นแบบนั้นตงเห็นอย่างไม่เข้าใจเออ สิงนี้เป็นเหาะสนเราเป็นไพร่ลและทำาไดนสิ่งพี่เหนาะสนถึงว่าควรเชั่วท่านรู้แจ้กว่าเป็นของเชื่อละละไม่ไดเป็นทุกดสายท้าแจกของเชื่อเลยเป็นเชื่อจนจะเปียนทั้งหยาละเปชั่วถ้าเนตุกดสายท้าจกเงินเป็นเชื่อละไม่ด้เลยเป็นเช่มีว่าถ้าเงืนเนเชื่อทุตบ่าพระทุตตนก็รู้แต่อย่าเปวนเชื่อนะ เปรี้ยวมากเปรยวร้อบามากบาทน้อยมไม่สมัครไม่เหมือนกันถ้าหากาวก่าเราจะวดว่ดาเป็นเนีะยปฏิบัติคนเพื่้คือพุกิริตสาคือตะพิบติชิ้นช้ำในายวาจาใ จ, ใจอันนี้ถือหลักอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นศูน่์สองจักอันที่อธิบายเป็นสี่ ย, อย่อยเปรี้ยเสิเป็นเวลไม่เป็นสนฉาน พิเศษก่าอันนี้เอไปอีกตอนนี้อธิบายมาแล้วแตตอนนั้น่อนอัญชะก่อนอัญชะเอเลยก็เี้ยนรบายที่บายต่อผลจบต้องไปยืมอธิบายอนญชะที่ต้อง่อนนะว่าทั้งเรื่องนี้แหละละบาปนี่แหละทุกคนเพื่อเนี่ยเขาไม่ดีเนี่ยพยายามเพี้ยนละนั่งละเองละไม่ได้ต้องเพียนไยามละ ใช้แล้วไม่ดีแล้วเปลียนไปยังนักคนที่จะน่าจนเชื่อเนื้อเหมือนกันว่าเรามีองกัณฐ์ติดอยู่ในตัวของเราจะเป็นเพื่อเถิดทศกัณ์ใจก็ตามเถอะติอยู่ในมือในม้าที่อยู่ในที่ใดก็ตามเถที่สุดแต่โนฟันต้องอยู่ในปากทศกรู้ติดเหมือนหน้าเกลดรดแต่ยีก็ตามเ่็นหน้าเกลดในทศกัณฐ์ เนี่ยถ้าเห็นสองเสื่อทาไม่เห็นแต่ของเสือเราไม่รู้สึกวันนี้กินเน้นแล้วก็ปล่อยได้แ่เือรแล้วแต่เน้นโผล่ๆกันถ้าหากเราเห็นในของไม่ดีรีบแรงอิดสูดแล้วแล้วด้วนปากหาแล้วมาติมชเห็ของเสื่ออย่า้เป็นายนตรละเห็นเท่าของของไม่ดีเป็นภาพนละ เป็นท่าของตนที่ก็ตกจนเขาไปงามของตนจะสะอาดเพระฉั้นเรียกว่าเป็นเ ง, งามล่ะเคื่อละของไม่ดีเพราะฉนั้นหายเองมันไม่หายหรอกมันต้องการอาศัยการพปานเงียบเหนแล้วเป็นเ ง, งาียละมัน่นอกจะสะามันยินย่งจะเป็นคนดีขึ้นมาได้มีอธิบายไม่เป็นแค่นี้แค่อธิบายแต่แรกมั น, นอธิบายต่อว่าทั้งเรื่อง ละชั่อแล้วอย่าให้มันกลับเกิดขึ้นมาอีกใ้ใรร่ๆเราพ อ, อต้นจะทาดีแล้วจะเลิมทำดีแล้วเกิดนี้ขึ้นมาอะไรรักษายให้ความดีนั้นหายไปเพราะนั้นรักษาอันนี้ระวังระวังอย่าให้ความชั่วนั้นกลับเกิดขึ้นมาอีกได้พอแรกมาเป็นการคู่แรกม น, นเป็นการทําให้เกิดนี้นล้วรักษาอะไว้ไม่ให้ความดีนดั้นเสื่อมไป อันนีะเชือแล้วให้ระวังอย่าให้งส่วนนรั่วไหลออมาอีกเหมือนกัน่ะขับไล่ตะตุออกจากหมู่บ้านของเราให้มีวดสนไปได้ยังจับมาอีกการระวังราวางสั่งบวงตรงไหนผ่นรวังตรงเรืเกนั่นแหละนักเกยนั่นตรงไหนัมันมักเกยตรงนั้น อย่างเราคิตนึกเคื่องเคยอดลทุกขส่วนแม่ขอนเื่องจะนิสัยจิตนิสกินเป็นนิสัยก็ได้เข้าใจของเคื่องดีแล้วปฏิบาติมาแล้วครนี้เมื่อไรเห็นว่าของเครื่องมัเืองริแล้วก็ใหยามละละแล้วจะให้คิดไปในขั้นตอนนั้นอะางอย่าให้มันคิดนั่นได้ปะ อยามเป็นของดีขึ้นอีกจริงจะรู้จักรับสาถ้าอย่างนั้นเหมือนของดีป็ยังระวังใหได้อีกละให้ไดเสื้อละใหได้ต้องเลือนงด้วยของเสื้อเป็นด้วยของไม่ดีจนคนละเหมืนนั้นได้นอกที่บานมาแล้วอันนี้เมื่อละแล้วระวังยาหน้ามันตเงินเข้ามาอีกมันก็มาก็เปียกเหมือนกันเละแปลงไป นันเหน็บงูขวานเราดูแกเรามาเคยขึ้นปีขวานนั้นเหน็บเงินงูตวประกบของปี่านแล้วเห็นตัวงินน่มาเป็นทีตกวประกอบเราก็พยายามแทงแล้วพยายามสืดใ้พยายามเบื่อตายด้วยเสย่ประมาณนีแหละกับละกำเนิดประกบวจิตที่ม่เคยจิตนึกแล้วมัเข้าใจจิตมันจะว่ า, าขางเท่ยทัปี ยามันไปสะสมยามันคิดนึกเล้วามันเอียงๆไปนทางนั้นตั้งมั่นอย่างนตั้งะตูให้มั่นทรงอยู่เสมอยามันหลงไหลไปตามทางเดินนั่เงคนเรามันดีด้ตรงนี้แหะทุกคนเกิดมาคิดนั่นม่จิดนนถ้าหากถ้าเราไม่พยายามที่จะ ละโส่ติดและรักษาโซ่ทั้งกมดเป็นอีกแล้วดีไม่ได้เลยส่งไม่ดีหรอกนะลงต้องเอาแต่โซ่เพียนโซ่เพียนโซ่ไปในยางเท่านั้นเพมันมีวเองไม่ได้ยางละโซ่เชื่อแล้วระวังในโซ่โซ่โซ่ละเชื่อแล้วมัมีการระวางอีกอีกแล้วมันมีการจะดีขึ้นได้ ื่อระบารมีข้อสี่โดยเฉพาะเลยว่าละท้วงแล้วข้อสามข้อสี่ให้ระวังอย่าถึงท้วงกลับโตขึ้นมอีกด้นจึงจะเป็นคนดีความเปลนสี่ประการเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะให้คนดีขึ้นมาโดยลำดับย้่ะจะให้คนมีควาจากทุกได้ ก็การเปลียนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแรงงาไม่มีวันที่จะดีขึ้นหแล้วมีการที่จ ะ, ะ, จะงะตอนั้วนั่นได้งะแร้วต้องมีการกา ร, ระวังก็ไม่มีการที่จะดีต่อไปอีกแน่นว่าความเปียนเป็นหลักต้องหลักดำเนินติดต่อ